บัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงรูปปัจจัน์ซึ่งพระเจ้าทรงสอนให้ศึกษาในสามช่วงคือรู้ว่านี่เป็นรูปรู้ว่านี้เหตุเกิดแห่งรูปแต่รู้ว่านี้เป็นความดับแห่งรูป ความเกิดแห่งรูปนั้นท่านจะแนกแสดงไว้เป็นห้าประการด้วยกันคือวิชาตันาอุปาทานกรรมและอาหารคร น, นีท่านสาธุชนได้สังเกตว่าวิชาตันาอุปาทานกรรมนั้นก็คือสังสารวักร ที่พระพุทธคุณบดว่าอารหังซึ่งแปลว่าผู้หักกรรมแห่งสงสารจักก็คือหักอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนั่นเองทําให้พระองค์หลุดพ้นจากสังสารทุกข์หรือหลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ก็สู่การเวียนว่ายตายเกิดจากที่ราบกันแต่ว่ารูปอันใดก็ตามที่ยังประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอยู่ รูปนั้นก็ต้องมีการจุติมีการปฏิสนรรสธิกันร่้ไปทากเท่าที่สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่แต่ในกลุ่มของอวิชชาตันหาอุปาทานกับนั้นเราแยกออกเป็นสองประเภทก็จะได้แก่เป็นกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของกรรมกลุ่มของกิเลสก็คืออวิชชาตัหาและอุปาทาน อวิชานั้นเป็นพื้นฐานจิตวิญญาณของมนุษย์ที่นำไปสู่พบน้อยพบใหญ่และแม่ตัณหาพาทานเองก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งภายในจิตใจของบุคคลแต่ว่าศายการที่บุคคลเห็นรูปด้วยตาได้ ย, ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิน่นด้วยจมูกลิ้มรสดิลิ้นได้ถูกต้องเห็นรดนอดแข็งด้วยกายในแต่ละขณะในแต่ละวัน เพราะพื้นฐานของอิชาตนาอุปาทานที่มีเป็นเชื้ออยู่ภายในใจทมให้เป็นการเพิ่มพูนพวกเหล่านี้ขึ้นมาในบางขณะข้อนี้พึงสังเกตลำดับความคิดที่เราสัมผัสอารมณ์ในแต่ละขณะจะเห็นได้อย่างชัดเจน่นรูปเสียงกลิ่นรสบางอย่างซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนไม่เคยพบเห็นมาในการก่อน การพบเห็นครั้งแรกจะเป็นอวิชชาคือความไม่รู้และจากอวิชชานี้เองเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงคุณถึงโทษของสิ่งเดียานั้นแล้วตัณหาก็จะเกิดในอารมณ์เดียานั้นในกรณีที่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเดียานั้นเพราะตัณหาจึงเกิดขึ้นในอารมณ์ที่น่าคร่หน้าปรารถนาหน้า พ, าาพอใจ ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้วอารมณ์ก็คืออารมณ์หมายความว่าเขามีอยู่ก่อนเขาเป็นอย่างกันเองเพียงแต่ที่เกิดตัณหาขึ้นภายในใจเราเพราะใจเราไปกําหนดว่าอารมณ์เหนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะก ร, รมตัณหาภวะตัณหาก็บังเกิดขึ้นถ้าเกิดกําหนดว่าไม่น่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเพราวิภาวะตัณหาก็บังเกิดขึ้น แล้ที่เกิดขึ้นทั้งสองประการนั่นเองก็จะขอให้เกิดเป็นอุปาทานคือความยึดติดสิ่งที่เราพอใจเมื่อพบกันครั้งแรกพอใจเมื่อจากไปก็เสียดายพบใหม่ก็พอใจอีกสิ่งที่เราไม่พอใจเมื่อพบเข้ามาอีกก็ไม่พอใจอีกเมื่อจากไปได้เราก็สบายใจ แต่เราก็มีแต่ความยินดียินรัยมีความดีใจมีความเสียใจมีความสุขมีความทุกข์ที่เราเรียกวทนาเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเราในแต่ละขณะผลเมื่อมีอุปท า, านก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอาหารแต่อาหารนั้นที่จริงแล้วมันเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งซึ่ง แต่ว่าตำหลักความเป็นจริงเขาก็มีอยู่เป็นอยู่ของเขาโดยธรรมชาติธรรมดาส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดขึ้นจากภายในของเราเพราะควาว่าอาหารนั้นแปล ว, ว่าสิ่งที่นำผลมาซึ่งก็หมายความว่าจากการที่เรามีกิเลสและเราได้กระทากรรมเอาไว้ในลักษณะต่าง กรรมก็คือเจตนาที่เป็นเหตุให้กระทำแม้แต่กระทำภายในใจเช่นว่าสร้างความรู้สึกกินดียินร้ายขึ้นมาภายในใจแล้วก็เป็นอาการทางมนกรรมแต่จริงแล้วคำว่ากรรมขอบล่ายความหมายของเขาได้กระจายออกไปถึงสี่ถึงสามลักษณะด้วยกันบางอย่างเราเรียกกุศลกรรม อ, อ ก, กุศลกรรมอัปยากะตกกรรมแต่ว่าบางทีเราก็เรียก ในสมลักษณะเหมือนกันแต่ก็แยกเป็นกุศลอกุศลแต่ส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นอเนจชาคือสิ่งที่เป็นกลางกลางสิ่งที่ไม่หวั่นไหวเป็นสภาพจิตที่พัฒนาขึ้นไปถึงจุดหนึ่งไดบรรลุถึงรูปฌานจิตในขนาดนั้นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของโลกคือไม่ถึงก็ยินดียินร้ายกับอารมณ์โลกเพราะว่าจิตใจของบุคคลส ง, งบอยู่ด้วยอํานาจของฌานแต่จริงแล้วเขาก็เป็นกรรม เพราะนำไปอุบัติบังเกิดในภพชาติที่ประนีตขึ้นไปแต่จะประนีตอย่างไรก็ตามเมื่อมองจอากสายของการบรรลุมรกคผลเป็นพระหรันแล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นก็คือภพเมื่อภพก็ต้องมีชาติมิชาติก็ต้องมีาราลมรณะเป็นต้นแต่นั้นท่านยังถือว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเหตุแห่งความทุกข์อยู่แต่ว่ากรรมบางประการนั้นจะกล่าวในส่วนเหตุ คือบางทีจะไปพบในที่ต่างๆแล้วก็จะอาจจะเกิดความรู้สึกสับสนว่าทําไมอย่างนี้ในอีกที่หนึ่งว่าอย่างนี้อีกที่หนึ่งทึงว่าอย่างดีก็แล้วแต่ท่านจะกล่าวในส่วนเหตุหรือส่วนผลกรรมทั้ง3ประการที่ว่ามาแล้วนั้นคือกรรมส่วนเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็ขอให้เกิดเป็นรูปเป็นชีวิตขึ้นมาที่เราเรียกรวมๆ ว, ว่าเรียกว่านามมารปจากการที่เป็นรูปขึ้นมาหรือเป็นชีวิตขึ้นมานี้เองทําให้เกิด กมขึ้นมาอีก3ประการคือการแต่ว่าท่านเรียกอีกโดยหลักจริงๆท่านเรียกว่าสังขารท่านไม่เรียกว่ากมแต่ได้จริงก็คือกำในแก่สิ่งที่ปรนปลือร่างกายของเราเรียกว่ากายสังขารคือลมหายใจเข้าออก ซึ่งพระเจ้าทรงนํามาสั่งสอนในรูปลักษณ์ต่างๆก็อาศัยลมหายใจเข้าออกที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั่นเองมักจัดเป็นอารมณ์ของกรรมฐ า, านขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออานาปาณสติวจีสังขารคือสัญญากะเวทนาแล้วก็จิตตสังขาร ว, วจีสังขารคือวิตกกับวิจารณ์คือความตรึกตึบซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตและสัญญากะเวทนาซึ่งเป็นจิตตสังขาร ค้อนี้พิสังเกตว่าเมื่อจิตถูกปรุงด้วยวิตกวิจาร์ด้วยสัญญาด้วยเวทน า, า, าก็ตามก็ก่อให้เกิดเป็นการกระทํากรรมออกบานในลักษณะทั้ง3ประการนันที่กล่าวมันแล้วเพราะบางครั้งท่านจะแสดงเป็นส่วนเหตุบางครั้งจะแสดงเป็นส่วนผลบางครั้งอาจจะแสดงลึกกว่านั้นคือตัวเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตก่อนที่จะ เป็นวิตกก่อนที่จะเป็นวิจารณ์ก่อนที่จะเป็นสัญญาก่อนที่จะเป็นเวทนาขึ้นมาก็ได้ัขึ้นอยู่กับองค์ขงตมะว่าในขณะนั้นตรงแสดงในช่วงไหนแล้วปรากฏอยู่ในกลุ่มธรรมอะไรสรุปว่าทั้งสองประกาศนี้เมื่อกล่าวโดยย่อก็คือกิเลสกับกรรมเมื่อเป็นกิเลสกับกรรมก็ก่อให้เกิดเป็นรูปเป็นชีวิตขึ้นมาทีเ่เป็นเป็นสิ่งที่จะนําไปถือปฏิสนธิขึ้นมาที่เราเรียกวิญญาณ เมื่อีวิญญาณก็กลายเป็นนามรูปตัววิญญาณเองนั่นแหละเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนนั้อาหารท่านจึงจำแนกแสดงออกเป็นสี่ประเภทอาหารจึงมีความหมายเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่นําผลมานําผลนั้นอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าอาหารนั้นเป็นอะไรประการแรกเรียกว่าการลิงการอาหารอาหารคือผ่านเข้ามาทางปาก อาจจะดืม่มอาจจะลิ้มอาจจะชิมอาจจะรับประทานเข้าไปคือสรุปว่าสิ่งที่ข้ามาทางปากนั้นเราเรียกว่ารว ม, ร ม, รมว่ากบาลิงการอาหารที่ตั้แปลว่าอาหารคือคเข้าที่จริงจะกินจะลิ้มจะชิมจะดืม่มอะไรก็ตามก็สรุปว่าเป็นพวกกบลิงการอาหารทั้งนั้นอาหารเหล่านี้อาจจะเป็นคุณก็ได้จะเป็นโทษก็ได้ก็จะนำผลมาได้ทั้งสองประการ เป็นเรื่องที่เราสังเกตได้ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปบางครั้งก็เป็นพิษบางครั้งก็เป็นปกติธรรมดาบางครั้งก็เป็นประโยชน์คือกูลเป็นพิเศษ ต, ต่อร่างกายของเรามันขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปประการที่สองบิญยาณอาหารอาหารคือวิญญาณคำวิญญาณนั้นหมายเอาสองช่วงช่วงหนึ่งก็หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณที่ก่อให้เกิดเป็นนามรูปดังกล่าวแล้ว ในช่วงที่สองตึงถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นวิถีวิญญาณได้แก่ความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายและก็จึกนึกถึงอารมณ์ทางใจคนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้อย่างเด่นชัดว่ามันนำมาซึ่งผลในลักษณะต่างๆแล้วก็เป็นกระบวนการที่จะนาไปสู่กรรม เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่กิเลสและนำไปสู่กรรมในชีวิตประจำวันของเราฉะันเราเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเข้ากระบวนการที่กล่าวไว้ในตอนต้นคือถ้าเป็นรูปที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยประสบมาก่อนมันก็เป็นอวิชชาก่อนถ้าเป็นรูปที่เราเคยเห็นมาแล้วแล้วก็มีการกาหนดหมายรูปนั้นว่าน่าคราน่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ มันก็จะกลายเป็นตัญหาขึ้นมาตามการกําหนดรูปเหล่านั้นของบุคคลนั้นๆซึ่งไม่จะเป็นข้อตายตัวอะไรเพราะรูปรูปเดียวกันนั่นเองแต่ว่าคนเห็นมองจากพื้นฐานจิตที่แตกต่างกันความรู้สึกต่อรูปเหล่านั้นอาจจะเกิดเป็นการมาตฐาก็ได้เพราะว่าตหาก็ได้พิพาว่าตฐาก็ไ ด, หได้หรืออาจจะเกิดเฉยๆก็ได้คือไม่ยินดียินได้อะไรประเด็นสําคัญที่ท่านต้องการเน้นก็คือเน้นไปที่ ให้เกิดความยินดีหรือเกิดความเข้าถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าว่าเกิดความยินดายกิเลสมันเกิดขึ้นแต่ว่ายินดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับยินดีในอะไรยินดีที่เจือด้วยอามิตรหรือว่าเจือด้วยธรรมะถ้า่าเจือด้วยธรรมะจะมองเห็นอะไรก็เกิดเป็นสิ่งที่เป็นกุศลขึ้นภายในใจเพราะะนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้บุคคล มีความยุ่งยากลำบากในการควบคุมความคิดของตัวเองพระเจ้าจึงทรงแสดงคำสอนที่ตีกรอบเอาไว้เพื่อช่วยเหลือเป็นนั้นมากซึ่งท่านสาธุรชนทั้งหลายคงนึกได้จึงทรงแสดงในรูปของปฏิรูปประเทศเคย อ, อยู่ในสถานที่ที่เหมาะที่ควรซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลต่อพัฒนาการทางจิต หมายความมาได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตใจจะโน้มน้อมเข้าหากุศลหรือโน้มน้อมเข้าหาความรู้เท่าทันดามความเป็นจริงผลสภาพสิ่งที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศคือประเทศที่เหมาะที่ควรสําหรับฐานะของบุคคลเหล่านั้นเช่นผู้ต้องการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็จะมีสถานที่ในลักษณะหนึ่งในสมัยโบราณจริงๆถ้าเรียกว่าอารามแปลว่าสถานที่ที่นําใจให้รื่นลม หมายความมาเข้าไปในบริเวณนั้นจะมีการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งบุคคลที่แวดล้อมสิ่งต่างๆให้เกื้อกูลต่อความสุขความสงบในฐานจิตใจของบุคคลเพราแนวสัพพายะในสัมปจัญญะปปะมมปะหรือหมวดที่ว่าในสัมปจัญญะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าต้องการจะสร้างสภาพแวดล้อม ให้เกือกูลต่อการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่าเป็นกายวิเวกคือให้กายมาสงัดก่อนให้กายได้ในที่สงัดก่อนเพื่อจะให้เกิดเป็นจิ ต, ตวิเวกคือจิตมันสงดแต่นั้นเป็นบันไดเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การสงบจากกิเลสสภาพแวดล้อมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปรฏิบัติที่ท่านเรียกว่าเสนาฐนราส ป, ปายะ คือที่อยู่ที่อาศัยมันให้ความสะดวกสบายกื่คูลต่อจิตใจของบุคคลสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นแม้แต่พระพุทธเจ้าเราเองสังสาธวชนารายคงนึกได้ว่าตอนที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกริยานั้นไม่ได้เน้นเรื่องจิตแต่เน้นที่การทรมานพระวรากายเพราะงั้นอยู่ตรงไหนก็ได้แต่พอเริ่มบำเพ็ญเพียนทางกิตสิ่งที่ทรงคิดในครั้งแรกก็คือสถานที่ ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าเป็นปฏิรูประเทศคือมันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางจะตั้นต้องเสด็จที่ยวสแสวงหาสถานที่ต่างๆจนมาถึงอุรุเวลาเสนาณิคมตรงตรวจสอบดูบริเวณแล้วก็ทรงตกลงปรงพระไทยว่าเสนาณิคมในีเหมาะกนประการแรกก็คืออยู่ใกล้น้ำประการที่สองก็คือ บริเวณกว้างห่างไกลไม่ห่างไกลจากบ้านคนเกินไปแต่เสียงที่คนคุยคนทํางานใดไม่ดังมาถึงกลางวันไม่มีคนพลุกพั่นกลางคืนไม่มีเสียงรบกวนมีลมพัดผ่านมาอย่างดีนั่นคือการหาอะไรที่จริงก็คือหาสิ่งที่ทรงสอนในตอนหลังว่าสัปปายะคือสิ่งที่ให้ความสบายสถานที่อยู่สบายเกื้อกูลตัวจิตใจ อากาศสบายที่เรียกว่าอุตุสัปห์สายคืออากาศสบายไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดไม่ถึงก็เสียดแทงร่างกายจนร่างกายกระสับกระส่ายใจแทนที่จะไปสนใจต่ออารมณ์ของกรรมฐานกลับไปสนใจต่อหนาวต่อร้อนไปอาหารสัปพายะนั้นคือเป็ปัจจัยที่เข้ามาเกื้อกูลคืออาหารเกื้อกูลต่อความสบาย อาหารก็สบายสถานที่อยู่ก็สบายอากาศก็สบายบุคคลที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็สบายและตัวธรรมที่เราใช้เป็นร่มเองก็สบายนี่นี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อสร้างสภาพเปิดรับไม่ได้อาหารในทางใจทีนี้ว่าพอเกี่ยวกับคนเราจะเห็นได้ว่าในมงคลสูตรพระเจ้าก็เริ่มมาตั้งแต่ข้อแรกอาศัวนาจะพาละนังยาคบพานะ แต่เขาผ่านและยุ่งเพราะอะไรเพราะรูปก็จะมีปัญหาเสียงก็จะมีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาหมดเพราะเกี่ยวข้ อ, ของกับคนผ่านและจิตใจเราก็จะสงบไม่ได้เพราะงั้นต้องอศาศัยวาจาคือต้องไม่กบผ่านทายังไงจึงจะได้ปุกลาธปายะก็คือการคบหาสมาคมกับบัณฑิตการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาตลอดถึงในตอนท้ายๆของมงคลลสุที่ทรงแสดงวรัสมนา น, นันจะระสนังคือการพบเห็นท่านผู้สงบ สงบกายสงบวิจารนั่นเป็นอุดมมงคลทีนี้เอาข้จริงแล้วสภาพแวดล้อมเหล่านั้นในภาคปฏิบัติในชีวิตประจําวันเราก็คงเลือกไม่ได้ตลอดเพราะเราคงจะไปอยู่ในป่าในถ้ำตลอดไม่ได้มันก็ต้องเจอกับอารมณ์ทั้งหลายเพระาะฉะนั้นจุดที่ส่งเน้นมากก็คือการทํำยังไงจึงจะรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่ผ่านมาในแต่ละขณะ คุณสมบัติเหล่านี้ที่จริงเราก็มีอยู่ภายในใจเราสาธารณชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราได้เห็นรูปความเสียงดนต ร, รีริมรถถูกต้องเย็นอนอนแข็งอยู่เป็นอันมากที่ไม่สร้างความบัน่นวายเกิดขึ้นแก่ภายในใจ เ, าเราถ้ามองดูวัตถุเหล่านั้นเป็นอะไรเราจะเห็นได้ชัดว่าเพราะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงคืออวิชชาในเรื่องนั้นมันถูกกระจัดไประดับหนึ่งสําหรับเราอะนะสำหรับสามัญชนทั่วไป เช่นอะไรเช่นเราเห็นของเด็กเล่น ต, ต่างๆที่มีวางขายอยู่ท้องตลาดทำไมเราไม่เกิดตัณหาเพราะเราเกิดวิชาตรงนั้นไปแล้วเกิดวิชาอย่างไงคือเรารู้ของเด็กเล่นเราไม่ใช่เด็กถ้ามีอะไรเป็นนันมากเช่นสมมติว่าขนมของที่เขาขายต่างๆในท้องตลาดขนมเหล่านี้เราเคยสัมผัสมาก่อนเคยทานมาก่อนแล้วก็เกิดปัญหาท้องไส้ปั่นปวดไปหมด พอเห็นถึงไม่เกิดการมอาถนาแต่อาจจะเกิดวิปลาสอาาก็ได้ซึ่งว่าที่จริงก็ไม่รู้จะเกิดไปทําอะไรเพราะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาใจจะไม่เกิดความยินดีหรือความยินร้ายในสิ่งเหล่านั้นแม้เขาจะมีการเชิญชวนชักชวนโดยวิธีการต่างๆเราก็ไม่เกิดความยินดีอะไรเพราะเะไเพราะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าขนมนี้มีปัญหาทำมเาเปล่า ตลอดถึงว่าเดินไปในสถานที่ต่างๆได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มก็มีอยู่เป็นอันมากที่เราไม่ยินได้ยินรายเราก็มองกลับมากระบวนการเกิดของรูปเราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเรามีวิ ช, ชาขึ้นในตรงนั้นมีความรู้ขึ้นในตรงนั้นเมื่อมีวิ ช, ชาไอ้ตัณหามันก็ดับเพราะวิ ช, ชามันดับไปเฉพาะในกรณีนั้นในขณะนั้นนั้นเมื่อตัณหาเฉพาะอารมณ์นั้นดับอุปาทานก็ดับ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของสิ่งนั้นเราไม่มีความรู้สึกเสียใจหรือว่าดีใจแต่ประการใดแล้วเราก็ทำได้ในตายหลายอารมณ์ทำได้อยู่เป็นนั้นมากทีนี้ทำยังไงจึงจะเกิดความรู้เท่าทันตาความเป็นจริงคือคุณสมบัติเหล่านี้สามารถขยายเพิ่มมากได้ยิ่งขึนดังนั้นจึงทรงสอนไวในรูปลักษณะต่างๆแล้วแต่ว่า สามารถปฏิบัติได้ในระดับใดก็สงสอนในระดับนั้นดังนั้นแนววิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณเพือสังเกตว่าที่จริงแล้วมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของตัวเองรูปที่เราจะเห็นมันก็เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยของเขาตาซึ่งทำหน้าที่ดูก็เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งใจของเราเองก็เกิดขึ้น้วยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง ถ้าปล่อยมันเฉยๆผ่านไปผ่านมากันไปมันก็ผ่านได้แล้วก็ผ่านได้ไดย่าเป็นแันมากเพียงแต่ว่าพอเกิดเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นนั้นใจมันเกิดกําหนดนี่คือตัวที่มีปัญหาเกิดกําหนดด้วยอะไรเกิดกําหนดด้วยแรงตัณหาตัณหานั้นมาจากไหนตัณหานั้นมาจากใจที่เก็บเชื้อสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจกอนแล้วอย่างี่บอกไว้ในตอนต้นว่าถ้าเราเห็นครั้งแรกเนี่ยไม่เกิดตัหา มันต้องเกิดแต่วิชาก่อนเพียงแต่ว่าแยกพันุหรือไม่แต่นั่นเองคือมันเริ่มต้นที่ไม่รู้ก่อนเมื่อไม่รู้จะไม่อยากเมื่อเราไม่รู้ความอยากก็จะเออความอยากรู้จะเกิดขึ้นแต่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างไม่เกิดขึ้นเพียงแต่อยากรู้อยากรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมีคุณมีโทษหรือไม่เนี่ยความอยากรู้จะเกิดผมก็ช่วงแรกผมก็กลายเป็นวิจิกิจชาคือความเครือดแคลงสงสัย จนพยายามแสวงหาการพิสูจน์ทดสอบกันด้วยวิธีการต่างๆจงเกิดรู้ตอนนี้แหละรู้ใจจะกาหนดอะไรตอนนี้ที่จริงอาจจะเป็นถ้าเป็นรูปก็คือจกักขุวิญญาคือความรู้รูปโดยตาถ้าเป็นสิ่งที่เอามาชิมมาชิมมาลิ้มบาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางลิ้นเกิดขึ้นทางกายก็แล้วแต่จะสัมผัสสิ่งต่านั้นด้วยประสาทะสัมผัสชสนดิดใด มีเฉยๆทำได้ไหมก็มีเยอะไปที่ทําได้เฉยๆชิมแล้วก็เฉยๆเห็นแล้วก็เฉยๆแต่ฟังแล้วก็เฉยๆสุดลมแล้วก็เฉยๆลิ้มแล้วก็เฉยๆหรือจับต้องแล้วก็เฉยๆมีอยู่เป็นนั้นมากที่เรารู้สึกได้เราทําได้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจหรือไม่ใส่ใจที่จงใช้คำว่ามณสิการคือเราใส่ใจเราสนใจเราให้ความสําคัญ อางจำนวนปัจจุบันที่พูดว่าสนหรือไม่สนคือสนใจหรือไม่สนใจสนใจเราให้ความสําคัญแก่เขาขนาดไหนหรือเรามีความรู้เท่าทำเท่าทันตามความเป็นจริงขนาดไหนแน่นอนความสนใจบางทีถ้าสนใจอย่างโยในโสมนัสติกาเป็นปริมาณของปัญญาที่ได้ใช้ไปในกรณีของอารมณ์เหล่านั้นมากขอ มันจะเริ่มที่อวิชชาต่อไปก็เกิดเป็นตันหาก็ได้เกดเป็นอุปาทานก็ได้แต่อาศัยโยนในโสมนสิการซึ่งเป็นตัวแสงสว่างมันจะค่อยๆขจัดอวิชชาไปเมื่อวิชาสงบลงตันหาในี่ยมนั้นก็สงบลงอุปาทานในลมนั้นก็สงบลงพานตัววิญญาณอาหารไปรสังเกตว่าเอาก็จริงแล้วตัวการใหญ่มันอยู่ที่ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็ตามยู่ที่เราให้ความสำคัญแก่เขาหรือไม่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันก็แล้ไปหรือเฉยๆก็ล้ไปตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คืออย่างคนบางคนซึ่งเกิดเจริญเติบโตอยู่ริมทางรถไฟหรือว่าริมถนนใหญ่ๆมีรถวิ่งตลอดทั้งวั น, น, นคืนยี่สี่ชั่วโมง คนเหล่านี้นิ่งๆให้ไปอยู่ในป่าเงียบๆมานอนไม่หลับมันรู้สึกมันขาดอะไรไปแต่ในขณะเดียวกันเอาคนที่อยู่ในป่าเงียบๆนอนอยู่ใน อ, อ่างแอเงียบๆเนี่ยเอาไปไว้ตรงนั้นนอนไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ชินอยู่ริมถนนนั้นเขาใส่ใจจนเลิกใส่ใจถามวิญญาณอาหารมีไม้ที่มากระทบกระทบโสตประสาท ก, ก็มีมีโสตวิญญาณ แต่มันกระทบพอดีไม่มีความใส่ใจกระบวนการทางวิญญาณไม่กลายมาเกิดขึ้นมาเต็มทีเสียงก็สักแต่ว่าเสียงจนกลายไปปกติธรรมดาธรรมะบุคคลเรานันแต่นั้นปัญหาใหญ่สำคัญจึงอยู่ที่จิตใจของบุคคลไปกาหนดกาหนดด้วยอำนาจของกิเลสก็ได้ที่จริงกาหนดด้วยกิเลสก็ได้กาหนดด้วยธรรมะ ก, ก็ได้แต่ที่เป็นปัญหานั้นคือกาหนดด้วยกิเลส การกำหนดในแนวกิเลสจะทรงแสดงไว้เพียงสี่ข้อเท่านั้นไม่ว่าจะพูดที่ไหนก็ตามเป็นการกําหนดในเกาะกลุ่มด้วยอำนาจทางกิเลสทรงใช้ในรูปของอัปปมาต ธ, ธรรมคือธรรมที่บุคคลจะต้องรักษาไว้ด้วยความไม่ประมาทคือพึงทําความไม่ประมาทในที่สี่สถานหมายความในขณะนั้นก็เห็นรูปความเสียงดุ่มปิ่นริมรถถูกต้องหยุนดน้อนอ่อนแข็งแต่ อย่ากําหนดด้วยอํานาจความกําหนับได้จากจุดนี้แหละที่ทรงสอนโดยนัยะต่างๆคิว่าดินก็สักแต่ว่าดินน้ําก็สักแต่ว่าน้าลมก็สักแต่ว่าลมไฟก็สักแต่ว่าไฟรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสอะไนี่คือสักแต่ว่าถ้าลองดูว่าคุณสมบัติคําว่าสักแต่ว่าเนี่ยเรามีเชื้ออยู่ภายในใจหรือไม่ เราก็จะพบ ว, ว่าเราสักไต่ว่าได้เยอะวันๆคือปล่อยไปเลยไม่ได้สนใจไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายสิ่งเดล่านั้นไม่กระทบถึงใจเราเลยจนกลายเป็นปกติธรรมดาอย่างที่กล่าวแล้วเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ที่จริงแล้วเรามีเชือ้อมีเชื้อที่เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุคือธรรมธาตุตนกะเชื้อของธรรมะเพียงแต่ว่ามันมีมากพอหรือไม่ เพราะอารมณ์ไม่ใช่เป็นเหตุได้เกิดตัณหาทุกอารมณ์หรือว่าเกิดอุปาทานได้ทุกอารมณ์มีอารมณ์เป็นอันมากที่เกิดเฉยเฉยมีอารมณ์เป็นอั้นมากที่เกิดเป็นธรรมะเกิดความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงจนสามารถตัดกระแสะของตัณหาลงไปได้นั้นการเกิดขึ้นแข่งรูปที่สำคัญจริงๆแล้วรูปมันก็สักแต่ว่ารูปของมันมันก็อยู่ส่วนของมัน เพียงแต่ว่าเราไปดูไปเห็นไปสุดตรงไปลิ้มไปจับต้องไปตึกนึกมันกันนั้นเองที่ีตึกนึกให้มีปัญหาก็ได้ตึกนึกไม่มีปัญหาก็ได้อย่างที่กล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าเองถ้าก็มองรูปอันเดียวกันพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งก็มองรูปอันเดียวกันคือรูปที่ประกอบโดยองค์ประกอบอย่างเดียวกันไม่ใช่รูปอันเดียวกันคือองค์ที่รูปที่ประกอบโวยรูปอันเดียวกัน แต่ท่านสามารถเบื่อห่ายครายกับนัดไปได้เพราะอะไรเพราะเป็นการใช้ความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงคุมจิตตนไว้ไม่ให้เกิดกัหนัดแม้อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งความกัหนัดสมองคนทั่วไปก็ตามแต่ว่าใจเรานั้นคุมไม่ได้เราก็ไม่เกิดความกับ น, นัดไม่เกิดความขัดขืงก็สักไปก็เสียงไปสักไปว่า กลิ่นไปสักแต่วรถไปไม่ให้เกิดความรุ่มหลงม่ให้เกิดความบวมเมาไห้ทรงสอนไม่สี่ข้อความกําหนัดก็คือกิเลสสายโลภะความขัดเคื่องก็คือกิเลสสายโทสะความรุ่มหลงก็คือกิเลสสายโมฆะความประมาทก็คือกิเลสที่มันขาดสติความบวมเม า, มมาท่านเจ้ากรรามรรคคือความบวมเมาได้แก่การขาดสติเพราะฉะนั้นพิ ก, กลับไปอีกทีหนึ่ง เราไม่พูดสามข้อนั่นกันได้ยันที่ทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้นั่นก็ใช้ธรรมะข้อเดียวไม่ต้องพูดกําหนัด ก, กันเครื่องรุ่มหลง ม, มัวเมาแต่ว่าทรงสอนได้มีสติรุ่มหลงมัวเมาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะในขณะนั้นสติจะเป็นสิ่งที่สกัดกั้นกระแสของความอยากเอาไว้ แล้วในที่สุดก็แม้จะเกิดขึ้นมันก็ละสิ่งเหล่านั้นลงไปได้ก็ทำนองที่เราใช้กันในชีวิตปรจะจำวันถึงบางครั้งเสียงสัตว์เสียงอะไรเสียงรถเสียงคนสติก็ะระลึกรู้ทันถึงแม้จะดังแค่บ้ามาเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราก็ปล่อยไปการมตัิหาก็ไม่เกิดวิาพวัตนาหาก็ไม่เกิดอุปท า, านก็ไม่เกิดสมบัตในอารมณ์เหล่านั้น าการฝึกปลือประพฤติปฏิบัติไปในลักษณะเหล่านี้จึงจะจะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้จึงมีทั้งช่วงยาวที่เป็นทังสารวัตรและมีทั้งช่วงสั้นๆคือลักษณะของอารมณ์ที่เราสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกในชีวิตประจำวัน ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่สามารถรู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสิ่งแ่านั้นได้หรือไม่ถ้ารู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้อวิชาก็สงบในจุดนั้นนนตัณหาก็สงบในจุดนั้นนั้นอุปาทานก็สงบในจุดนั้นนั้นกรรมก็จะเป็นกุศลในจุดนั้นนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป